รวมสิกขาบทที่มีในนิสสกียกันสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการสะสมบาศิกขาบทที่สองว่าด้วยการแจกอากาละจีวรสิกขาบทที่สว่าด้วยการแลกเปลี่ยนจีวรสิกขาบทที่4ว่าด้วยการออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วออกปากขอของอย่างอื่น สิกขาบทที่5ว่าด้วยการให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วให้ซื้อของอย่างอื่นสิก er ขาบทที่6ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงข้อที่หนึ่งสิกขาบทที่7ดว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงข้อที่สองสิกขาบทที่8 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายคณะข้อที่หนึ่งสิกขาบทที่9ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายคณะข้อที่สองสิกขาบทที่10ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายบุคคลสิกขาบทที่11ว่าด้วยการขอผ้าห่มหนาในฤดูหนาว สิกขาบทที่12ว่าด้วยการขอผ้าห่มบางในฤดูร้อน